264. ผู้พ้นโลกและพ้นตนเพราะมีธรรมะเป็นอำนาจซึ่งในชีวิตปัจจุบันของผู้ใดที่ยังมีขันธโลกธาตุโลกของตนอยู่เมจะตายกายแตกไปกายยัตสะเพตาแต่ยังไม่ทำปรนิพพานชนิดเป็นประโยสารเป็นที่สุดท้าย ย่อมยังมีอัตภาพหรือมีตัวตนที่ยังอาศัยอยู่ก็มีอัตตานี่แหลกอยู่ทว่าเป็นผู้สามารถดับอัตตาของตนได้อย่างเที่ยงแท้นิจจังย่างยืนทุวังตลอดไปสตังไม่แปรเป็นอื่นอีกอวิปรินามธรรมมัง ไม่มีอะไรจะมาหักล้างได้อีกอาสังหิรังไม่กลาบกรรมเลิกอีกแล้วอาสังกุ ป, ปังสำหรับส่วนเป็นอัตตาที่อกุศลในตนพลังงานของอกุศลกิจที่หมดไปนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าพลังงานกิจหายไปส่วนหนึ่ง แต่กลับเป็นพลังงานอากุศลหายไปเปลี่ยนเป็นพลังงานกุศลทวีขึ้นมาแทนจึงเป็นผู้มีพลังงานที่เป็นกุศลเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวเมื่อคนผู้นี้ยังไม่ปรินิพานเป็นปริโยสารจึงเป็นผู้มีพลังงานกุศลทับทวียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นปรินิพานชนิดที่เป็นปริโยสารหมายความว่า ผู้ที่ตายกายแตกหรือตายหมดลมหายใจในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่มีสริระร่างหรือองค์ประกอบของรูปกับนามกายและแม้แต่ใจในความเป็นชีวิตหรือวิญญาณคนผู้นี้มีเหลืออยู่ในโลกใดๆในพบใดๆอีกเลยตลอดการ ชีวิตทินรีจะไม่เป็นชีวิตของคนหรือสัตว์ในโลกไม่ว่าโลกโลกไหนไใดใดอีกต่อไปนิรันดร